ในชีวิตนี้นี้นจำเป็นไปลืมเลยค่ะได้รับสงได้รับการสงเคราะห์จากท้องชายน้องชายเป็นอย่างมากอ่ะถ้าไม่ได้น้องชายมาสงเคราะห์ดิฉันไม่รู้จะเออจะชีวิตชีวิตที่ไปข้างหน้านจะเป็นอย่างไรคือดิน้นได้ปฏิบัติผิดๆมาเป็นเวลาสิบสิบปีหลายสิบปีค่ะทีนี้ได้เปลี่ยนมาสอครั้งแล้วทีนี้เรได้เปลี่ยนมาสองครั้งแล้ว ครังเลยพระธงชายไปไปเล่าให้ฟังที่แรกเอ๊ที่เราจะต้องเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามแล้หลอครั้งเนี่ยแล้ว mm hmm. แล้วก็ต้องเปลี่ยนจริงๆด้วยเหตุผลที่ที่น้องก็บอกค่ะก็ก็ได้เหตุผลแล้วก็ได้จากน้องชายเนี่ยที่ส่งครล้องมากดิฉันก็ขอขอบใจมากค่ะเดินฟังเอาให้น้องสาวผมพูดถกหน่อยสิ <laughs> เอาบ้างอนะนะสักหน่อยก็ยังดี พูดสงเคราะห์ผู้การกันหน่อยจะได้มองคลคือเขาเกิดมาในชีวิตเขายังไม่เคยพูดกับใหม่เลยวันนี้เป็นวันแรกอันนันั่งพูดตรงนั้นก็ได้นะถ้าไม่กล้ายืนโชวออ์คือคือพี่ชัยนะคะได้ ข้อมากเลยค่ะส่งข้อย่าเนี่ยแล้วสิ่งที่ประทับใจฉันมากที่สุดคือพี่ชายบอกว่าชีวิตนี้จะนอนตายตามไม่หลับเลยเจ้าน้องๆไม่ได้รู้หรือพี่ๆเนี่ยไม่ได้รู้ธรรมะที่พี่เขารู้เนี่ยค่ะฉันก็เลยรู้สึกประทับใจมากว่า เ, เราถึงจะไม่รู้ไรก็คงต้องพยายามก็เลยทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าฉันไม่ต้องพยายามนะคะ่ะฉันศรัทธาแล้วก็ตั้งใจมากเลยว่าผานละอะไรทั้งปวงอะไรเนี่ยจะทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ศึกษาพระธรรมอย่างเดียวะคะ่ะ ขอบพคุณมากค่ะผมสงเคราะห์น้องชายผมไม่หมายมันเดินหนีอ่ะมันเดินหนีมาผมฉุนเลยก <c oughs> ็สงเคราะห์เดือดร้อนเลยสงเคราะห์เดื อ, ร อ, <c oughs> อ, อ, อดอร้อนเลยเดี๋ยวนี้นะโอ้โหกลับมาขอบใจพี่ชายมากท <c oughs> ันที่จริงผมเกิดมาในครอบครัวที่ในฐานะยากจนนะฮะ แล้วก็อผมได้มีโอกาสสงเคราะห์เขาย <c oughs> ังญาติญาติผมในเรื่องในเรื่องอามิตรเนี่ยนะฮะก็สงเคราะห์มาพอสมควรทีเดียวนะฮะในเรื่องหนี้สินต่างๆนะฮะที่ที่บางคนนะฮะบางคนท่านเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์มากเลยในเรื่องความเป็นหนี้นะเพราะว่าชีวิต ที่ผ่านมานี่นะฮะเรื่องหนี้สินเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราในครอบครัวเนี่ยโห้โหเรามีความทุกข์มากฮนะแล้วเราเข็ดขยาดมากเลยนะฮะแต่และเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยนะเราต้องช่วยกันประครับประคองกว่าจะรอดตัวมาได้โหไม่ใช่ของง่ายเลยนะแต่ในะที่สุดนะด้วยด้วยเราประพฤติมงคลถ้าส่วนใหญ่นี่นะฮะ เราก็ทําให้ทุกครอบครัวนี่นะรอดรอดมาได้แล้วก็มีฐานะดีดีทุกครอบครัวเลยนะเราเห็นว่าในในมงคลทั้งหมดเหล่านี้นี่นะลองท่านลองไล่ดูสิครับว่ามงคลตั้งแต่หนึ่งไปถึงสุดท้ายเลยนี่นะเป็นเรื่องประโยค่สมบัติทั้งนั้นเลยครับเว้นอย่างเดียวจะมีประโยคในอดีตคือปุเพกตับุญญตาเนี่ยนะฮะนั่นก็เป็นประโยค่แต่เป็นประโยค่ในในในในอดีตใช่ไหมครับ เราลงไล่มานะฮะทุกอันเลยตั้งแต่เราเราเร า, เราไม่คบคนพาลเนี่ยนี่เป็นประโยคะเลยนะครับหรือเราจะคบบัณฑิตนี่ก็เป็นประโยคะนะฮะทั้งนั้นเลยทั้งสงฆ์บิดามานดาญาตทั้งหมดเลยไม่ทราบแบบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ต้องทำขึ้นมาใหม่หมดเลยเนี่ยเป็นภรษาศาสนาของเราเนี่ยนะที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือชาติวิบัก จิตชาติวิบากนี้ไม่ต้องไปทาอะไรเลยใช่ไหมก็ทำเป็นกลุ่มปริญยยาธรรมแต่กลุ่มมงคลทั้งหลายโดยมากเป็นธรรมะประเภทภาเวตปธรรมโดยมากนะเป็นกลุ่มประเภทภาเวตปธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องเจริญขึ้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำขึ้นเป็นประโยคนาเป็นการภาคเพียรพยายามอย่างจริงๆมงคลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าเป็นคนเกียดคราดได้มงคลไหม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 ญาติทั้งหลายในอดีตสงเคราะห์เราไปหมดแล้วเนะเราก็ไม่ต้องอยู่กันขนาดนี้เพราะคนอื่นเขาก็พยายามจะสงเคราะห์เราอยู่ในขณะเดียวกันเราจะสงเคราะห์คนอื่นก็นับว่าไม่ง่ายเนี่ยนะคุณมุนชูเล่าว่าคุยกับพี่ชายยังไงก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องกวางกันจะไปสงเคราะห์พี่ชายซะหน่อยก็ยังคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะไม่รู้ใครไม่รู้เรื่องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่ารู้ว่าไม่ใช่ง่ายก็แล้วกันนะเนี่ยพูดถึงเรื่องการสงเคราะห์ญาตินี่นะครับ ผมจะลงไปรายละเอียดทีบหน่อยนะครับคื อ, อมีอยู่ครั้งหนึ่งนะญาติผมเนี่ยเป็นหนี้มากเลยอะ่ะเสร็จแล้วก็โหทำยังไงมันแทบจะเรียกว่าบ้านจะถูกเขายึดนี่ยนะผมก็าวางแผนกับพี่สาวผมเนี่ยที่บุญนาคนี่แหละนะนะาทาไงถึงจะแก้หนี้ก้อนใหญ่มากเลยเนี่ยนะฮะเป็นทุกเป็นร้อนกันร้องระ ง, งมเสียงแสบไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะ ผมก็วางแผนทาธุรกิจที่ดินแบบจับเสือมือเปล่าเลย <S 1> <S 1> <S นะจับเสือมือเปล่ามีเงินนิดเดียวนะแต่ว่าอาศัยว่าเราเรามีประโยคะดีนะ <S <S เราเป็นหนี้เขาเยอะแยะแต่ว่าเราใช้หนี้เขาด้วยที่ดินครับนะขายไปด้วยนะถ้าสมมติว่าเราเป็นหนี้เขาห้าหมื่นนะฮะ เ, เราบอกที่ดินราคาเจ็ดหมืนนะเราใช้นี่ไปห้าหมืนเรายังได้อีกสองหมืนเอาไอ้สองหมืนนั้นมาซื้อที่ดินนะเป็นทุนเพราะไอ้ทุนที่ดินนั้นประมาณสองหมืนใช่ไหมเราก็ได้มาแล้เราใช้นี่ไปรายละวนั่นะเราใช้วิธีนี้นะแก้ปัญหาอยู่หลายปีนะครับไม่ใช่มัว ง, ง่ายๆพูดอย่างนี้ไม่ง่ายนะแต่พีนหน้าก็วุ้วเดือดร้อนแทบแย่เลยแล้วพีหน้าก็โอ้ห โ, อห โ, อโหแทบแย่เลยนะเพราะว่าเรื่องจัดสรรที่ดินเนี่ยมันก็มันก็เป็นงานใหญ่งานหนึ่งนะฮะ อันนี้ผมทำผ่านมาแล้วผมยังนึกขึ้นมาแล้วผมยังมีความสุขมากเลยนะครับว่าเราได้แก้ปัญหาให้ญาติญาติเราได้ผ่านมาแล้วนะแล้วทุกคนภูมิใจมากแล้วก็ญาติๆผมเนี่ย <c oughs> เข า, าเขารักกันมากเนี่ยน ะ, ะพี่ๆน้องๆเนี่ยก็เราตกทุกข์กได้ยากกันมานะฮะก็นี่เป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะเป็นมงคลอย่างหนึ่งซึ่งพอยุคไอเอ็มเอฟเนี่ยฮนะ พอยุ是是 tai, ค i อเนี่ผมเดือดร้อนใช่ไหมโอ้โหผมขายบ้านขายที่หมดไปหลายสิบล้านบาทนะไทยนี่ก็ไม่พอนะก็ไปอาศัยกลับไปหาญาเก่าๆนี่แหละเขาก็ถ่วยกันมาคนล้านล้านสองล้านสามล้านะแก้ปัญหาผมไปได้โอ้โหนังเยอะเลนี่นี่ก็นี่ถ้าเห็นว่า้ประโยชน์ค่าสมบัตินี่นะมันมันไม่แน่นะว่าใครรึ่งใครกันไนในสังสารวัรอันยาวนานเนี่ย ก็พึ่งกันไปพึ่งกันมานี่ยะบางทีเราก็กลับไปพึ่งเขาอย่างงี้ยใ่ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องการส่งข้อญาตินี่นะฮะมีมีอานิสงส์สูงครมีเป็นมงคลจริงๆนะฮะก็ทุกข้อละครับในนี่ยครับถ้าท่านทำได้ก็เป็นประโยชน์ค่าสมบัติอย่างเยี่ยมยอดเลยความเจริญเนี่ยนะมงคลแต่ละข้อนั้นถ้าใครตั้งใจปฏิบัติอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยนะแม้แต่มงคลเดียวก็ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล อ่คือให้ให้ตั้งตั้งกิจกรรมตั้งสมาทานประพฤติธเถอะอันไหนก็ได้สักข้อหนึ่งเนี่ยนะเอาเป็นชีวิตจิตใจเลยก็นับว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดแล้วนะแต่ถ้าได้ทั้งถ้าครบ38ดังที่พระองค์ตรัสก็ไม่รู้จักพ่ายแพ้ในที่ทุกสถานคยอว่าไม่รู้จักคำว่าแพ้เป็นยังไงเนี่ยนะเพราะว่าถ้าครบทั้ง38มงคลเนี่ยนะแต่แต่มงคลแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ใครได้ทาไปแม้แต่ข้อเดียว ก็มีคุณหาไปเอ่อมีมีคุณหาปริมาณไม่ได้เริ่มตั้งแต่ไม่ครบคนผ่านเป็นต้นนี่ยนะที่มาดูมงคลข้อที่18อนวัตชานิกรรมมานิการงานนั้นไม่มีโทษเยนะหมายถึงกิจกรรมที่เป็นสุจริตทางกายวาจาใจมีการสมาทานองค์อุโบสถ การทำความขวนขวายการปลูกสวนปลูกป่าก็คือทำสวนให้เป็นที่เรื่อนรมไกลคนทั่วไปเนี่ยนะสร้างสะพานเป็นต้นอันเรียกว่าขุดบ่อน้าเป็นต้นอันนี้เรียกว่าการงานที่ไม่มีโทษอันนี้หมายถึงกิจกรรมประเภทสาธารณะกุศลทั้งหลายนะถ้าเป็นภายในตัวก็เป็นอะไรสมทานอุโบสถใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องข้างในถ้าข้างนอกขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นในกิจการงานที่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 เพราะเป็นเหตุให้ประสบสุขนานาประการได้รับความสุขนานาประการพึงระลึกถึงพระสูตรเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนวิสาขาสตรีหรือบุรุษบางคนในาศาสนานี้ถืออุโบสถประกอบด้วยองคปดประการเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงความเป็นสหายของทวยเทพ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 อันนะถ้ามีข้าวเป็นสิเป็นร้อยช้างเนี่ยนะทานได้มื้อละกี่ทนานมื้อเป็นทนานนี่ก็แย่แล้วนะ <c oughs> แล้วถ้ามีเตียงสักร้อยเตียงนี่คิดว่าจะนอนวันละกี่เตียงแล้วเตียงละกี่ชั่วโมงเนี่ยนะถ้ามีผ้าเป็นล้านชุดอย่างเงี้ยจะใส่ได้กี่ตัวนะเพราะฉะนั้นเหลือแก้วแหวนเงินทองเนี่ยถ้าประดับเต็มตัวไปหมดเดินไปที่ไหนคิดว่ า, าจะยื้อยืนไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> แน่นะนะอาจจะยื้อสั้นเร็วขึ้นก็ได้ เพราะฉะนนสมบัติในโลกที่เห็นๆ น, นี่เขาจึงเรียกว่าสมบัติของคนยากแต่ถ้าหากว่ารักษาอุโบสถเนี่ยนะเกิดในจาตุม้าร้ยปีทิพย์เนี่ยนะห้ารอยปีทิพย์ก็ก้าล้านปีมนุษย์สวยสุกโดยส่วนเดียวไม่ต้องปวดหัวตัวร้อนเป็นไมเกรนนอนไม่หลับไม่มีสบายตลอดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมั่งมีจริงๆเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งในเทวดาชั้นอื่นๆชั้นสูงต่อไปก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะฉนั้นการรักษาอุโบสถนั้นเป็นกรรมที่ไม่ มีโทษหลายท่านในที่นี้ก็รักษาอุโบสถกันอยู่นะก็พยายามคิดนะไอ้สมาทานยังไงนะจึงจะยังจิตให้เลื่อมสายพี่มวยรักษาอุโบสถหรือเปล่าตอนนี้อ๋อสิบห้านะสิบห้าก็ดีละดีละเจนพรนะแต่ว่าถาอย่าโหลดต่ําก็นิีงนะนีในล่างสุดแล้วก็โหลดเตี้ยกันนี้แย่เลยอห้าดีละนะแต่ก็มีหลายคนนะที่นี่ก็รักษาแถวหน้าเนี่รักษาอุโบสถกันหลายคนนะเนี่ย แถวกลางแถวกลางนั้นมีบ้างมีบ้างแลนะก็พยายามรักษาอุโบสถกันเถอะเนี่ยนะถ้ารักษาได้ได้เหตุปัจจัยพร้อมก็ต้องแบ่งเวลานะรู้จักแบ่งเวลาก็เวลาเที่ยวเป็นต้นเรายังแบ่งเป็นใช่เวลาทำบุญทำไมจะทำแบ่งไม่เป็นบ้างเลยนะก็จัดสรรเถอเพราะว่าโลกนี้ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็สามารถสแสวงหาวิธีการเจริญกุศลโดยประการต่างๆได้ ที่หรือเราจะมีโอกาสได้รักษาอุโบสถอย่างนี้อีกต่อไปเนี่ยนะนั้นเหตุปัจจัยที่จะให้รักษาอุโบสถไม่ใช่ของง่ายเนี่ยนะ <c oughs> สรุปว่ามงคลคือการงานอันไม่มีโทษนับตั้งแต่กุศลประเภทอุโบสถกับสาธารณกุศลเนี่ยนะสาธารณกุศลก็บางคนก็ชอบทําสาธารณกุศลโดยประเภทออกหน่วยใช่ไหมพวกนี้ก็นับว่าเป็นการงานที่ไม่มีโทษนะไปเที่ยวสงเคราะห์เขาไปช นะหมอญุพินยังไม่มานะปกตินี่ถ้าออกหน่วยแล้วก็เดี๋ยวก็ชอบไปอยู่เหมือนกันเนี่นะแต่ออกหน่วยถอนฟันฟรีเนีนะนะก็ไปช่วยบำบัดทุกข์ให้เขาอ่ะนะคือฟันมันผุเนี่ยนะมันเจ็บมันปวดเท่าออกแล้วสบายใช่ไหมคุณหมอรัตได้ไปถอดออกหน่วยบาย้างหนระือ <c> ย <oughs> ังเนี่ยยังไงนะออพอสอบอ๋อนะก็ดีแล้วอนุโมทนาด้วยนะแล้วก็มีนะ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 อ่ะคุณหมอว่าไงถ้างานศพสมัยนี้นี่ไม่แน่เพราะว่างานศพสมัยนี้นี่บางคนไปก็พอไปถึงก็กินข้าวต้มแล้วก็เล่นไพ่แล้วก็กินเหล้าเลยก็มีมแต่ถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าพวกเราไปก็คงจเจริญมรณะสติหรือว่าจเจริญกุศลอย่างอื่นไ้ไปไปช่วยเลี้ยงแขกไปช่วยแบ่งเบาภาระใช่ไหม ก็ก็ถือว่าเป็นมงไปช่วยร่วมไปร่วมให้ทานไปร่วมสมาทานศีลฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนะก็นับว่าเป็นมงคลละกิจกรรมประเภทสาธารณกุศลเนี่ยนะอย่างเมื่อวานวานก่อนเนี่ยนะเขาบอกว่ากลุ่มเชียงใหม่เนี่ยทึ่งคนกลุ่มกรุงเทพว่ามีไม่กวาดคนละอันโคละนไปเนี่ยนะแต่ตรงนี้แบบพิเศษมากนะเชียงใหม่ยังไม่มีนะแล้วก็ต่อไปถ้าไหจะดีก็ถือดอกไม้สั้นๆสักศอกก็ยังดีใช่ไหมแขวนไว้เลยพกไว้เลยเครื่องประดับอันหนึ่งอะนะ แล้วก็ไปถึงก็ปัดกวาดเลยตรงไหนได้ทําก็ทําไปเถอะเนี่ยนะหมอวันลบก็เตรียมนี่จะหายที่แทะไปแทะเทียนแล้วเนี่ยนะก็เป็นอันนี้ก็พวกนี้ก็เป็นการงานที่ไม่มีโทษเนี่ยนะไปเที่ยวทําพุทธบูชาไปเจริญกุศลเดินประทักศิลเหล่านี้เป็นการงานที่ไม่มีโทษทําแล้วยังความปีติและโสมนัสให้อีกในภายหลังเนี่ยนะก็แสวงหาวิธีการทํากุศลโดยประการต่างๆการงานเหล่านี้ก็เป็นการงานที่ไม่ มีโทษไม่ใช่ว่างๆก็ไปเที่ยวตกปลากันเนี่ยนะนี้อันนี้มีโทษแน่เนาะ <c oughs> นี่มาดูมงคลข้อต่อไปเลยนะมงคลข้อที่สิบเก้าอารติวีรติปาปาเนี่ยนะการงดเว้นจากบาปนะอารตินี้หมายถึงก็บอกว่าการงดชื่อว่าอารติการเว้นชื่อว่าวีรติอธิบายว่า ความไม่ยินดีในทางใจอย่างเดียวของบุคคลผู้เห็นโทษในบาปชื่อว่าอารติอารตินี่นะก็คือเว้นจากบาปไม่ล่วงบาปทางใจส่วนความเว้นทางกายทางวาจานะโดยกายทวารทั้งโดยกรรมและโดยทวารเนี่ยนะกายวาจาโดยกรรมกับโดยทวารชื่อว่าวิรัตหรือวิรตีเนี่ยนะอารตินี่ทางทางอะไรทางใจวิรตีนี่เป็นทางกายกับ วาจาเพราะฉะนั้นการเว้นบาปทางกายและวาจานั่นแหละเรียกว่าอารติววรตีปาปานนะการงดเว้นจากบาปอันนี้ก็เป็นมงคลใช่อันที่จริงก็เข้า ก, กลุ่มเดียวอะไรนะสัพปาปัสะการนังอ่ะ น, นะการไม่ทำบาปทั้งปวงใช่ั้ยก็อยู่ในโอวาทปาติโมกก็คือสิ่งเดียวกันกันกบที่เป็นมงคลตรงนี้นั่นเองเนี่ยนะก็ธรรมดาวิรัตนนั้นมีสามอย่าง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 อันนี้ชื่อว่าสัมปัตตวิรัตก็บางคนเนี่ยนะปลารบถึงชาติตระกูลโภคคาของตนก็ไม่ยอมทําบาปในสิ่งนั้นๆก็มีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นวิรัตโดยธรรมชาติเนี่ยนะชาวต่างประเทศก็มีไม่ใช่น้อยใช่ไหมที่ที่เป็นพวกนักวิรัตแบบนี้เลยเขาเขาไม่ยอมทอําอ่ะนะนะบางพวกนี้เห็นทรัพย์ของผู้อื่นแม้กระทั่งว่าเอาโดยที่คนอื่นเขาไม่รู้นะมีโอกาสก็ไม่ยอมเอาเนี่ยนะเพราะปรารบอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้สมาทานอะไรหรอก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 งดเว้ได้ไปประจวบไปประสบไปพบปะเจอะเจอก็ไม่ยอมล่วงละเมิดศีลนั้นนั้นทั้งทั้งที่มีโอกาสแต่ก็ไม่ยอมทำเนี่ยนะอันนี้พวกนี้เรียกว่าดีโดยอัธยาศัยนะพวกที่สัมปัตตะวิรัตโดยไม่ต้องสมาทานได้เนี่ยเรียกว่าพวกนี้บุญเก่าดีมากเลยนะอัธยาศัยเก่าเนี่ยดีเยี่ยมทําให้ไม่ล่วงศีลไม่ทุศีลทั้ ง, ท, งทั้งที่มีโอกาสเนี่ยนะก็นับว่าเป็นคนที่น่าชมเชยเรียกว่าดีโดยอัธยาศัยจริงๆ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 สมาทานดีกว่าถ้าดีโดยอัธยาศัยนะก็ไม่แน่ว่าจะดีได้ตลอดไปหรือเปล่าแต่ถ้าดีโดยการตั้งใจดีโดยการฝึกอันนี้ก็นับว่าดีสามารถที่จะดีได้ระยะยาวต่อไปให้ตั้งใจสมาทานเพราะว่าศาสาศนาเราถือการฝึกเป็นเป็นสำคัญเนี่ยนะให้คุณค่ากับการฝึกมากนะนะเพราะว่าคนที่ดีโดยอัธยาศัยจริงๆแล้วในโลกไม่มากนักนะนะมันก็ต้องหมั่นทาให้มีขึ้น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 ผู้นั้นไปพระโสดาบันจะไม่คิดเลยเถิดไปอีกเนี่ยนะแล้วพระโสดาบันจะดํารงมั่นอยู่ในคําสัตว์คําจริงแม้ตายก็ไม่กล่าวไม่สามารถจะกล่าวมูสาวาจได้พระโสดาบันเนี่ยนะถ้าท่านไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นน้าเมาท่านล่วงลําคอท่านนะจะหมดสภาพในความเป็นน้ําเมาถ้าถึงท่านไม่รู้นะเช่นมันอาจจะสีเปลี่ยนไปรสเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปแต่มันมีความเป็นน้าเมาเนี่ยถ้าล่วงคอของท่านําหมดสภาพความเป็นน้าเมาด้วยอํานาจวีรตีของท่าน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 แต่ว่าสมาทานมาเป็นอย่างดีเยี่ยมมั้นก็ที่สําคัญนะนะให้เราดีโดยการสมาทานไปก่อนดีโดยการสมาทานถึงที่สุดจะดีได้โดยอริยมรรคถ้าถึงขนาดอารยมรรคแล้วหลังจากนั้นผ่านไปแม้เจตนาคิดจะเล่วงศีลห้าก็ไม่มีเรียกว่าดีโดยดีโดยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริ ง, งนี่นะและที่สําคัญที่สุดนะปราลบชีวิตของสัตว์ใดเราก็ไม่น้อมไปเพื่อ ปทุสร้ายก่อนยมพ่อฆ่าแมาลงต ะ, ตะขับก็บอกว่ากลัวมันกัดอะ่ะยมพ่อเคยได้ยินแมลงตะขับกัดตายเนี่ยเหมือนกันเขบอกว่าแ ต, ต่ตั้งอันนี้จะไม่ทําอีกแล้วเหมือน <c oughs> กันนะก็โอ้ยไปกลัวตะขับกัดตายยังไม่เคยได้ยินนะตะขับกัดตายเนี่ยอนี่ท่านก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกมันจะกัดบ้างมันจะเจ็บบ้างก็ไม่เท่าไรหรอกเนะีนะ่ยก็สงสารมันบ้างเตอัเนี่ยนะีนะ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 ทรัพย์สินของผู้อื่นก็ไม่ได้วังจะอยู่กับผู้อื่นตลอดไปอะไรหรอกเนี่ยนะเพราะทรัพย์ทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้มันก็ของสาธารณะผู้ใดมีบุญก็ดูแลใช้สอยไปอนนเราเนี่ยทำบุญไว้น้อยเนี่ยเราจึงทรัพย์ไม่ค่อยมากคนอื่นๆก็เหมือนกันเออขอไปเราถ้าเรามุ่งน้อมเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนนะต่อไปเราจะกันดารทรัพย์มากกว่านี้อีกหลายสิบเท่าเพราะฉะนั้นการทุจริตคอร์รัปชันการโกงการ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 มันเดือดร้อนขนาดนั้นนะแม้แต่ขนจะหุ้มตัวยังไม่มีนะไร้ซัพย์ขนาดนั้นนะถ้ามนุษย์ทั้งหลายไรซั์มีพ้านุ่งผ้าห่มนี่ก็นับว่ายัางรวยนะอย่า น, นนะีอันนี้แม้กระทั่งเรียก ว, ว่าบางทีนะผิวหนังจะปกปิดตัวยังไม่มีอนะไร้ซัพย์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยนะซับทั้งหลายมหาพูดทั้งหลายเนี่ยไอ้ก้อยมหาพูดนี่นแหละเจตนาบริจาคเป็นบุญใช่ไหมเจตนาลักรวกมหาพูดนี้ของคนอื่นน้อมมาเป็นของตนอะมันมีโทษ เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องมหาพูดมหาพูดนี่โหยิ่งใหญ่จริงๆสัตว์ทั้งหลายจะทำชั่วทำบาปก็เพราะมหาพูดก็อาศัยมหาพูดนั่นแหละบรรลุมรรคผลนั้นพระองค์จึงให้พิจารณาเหตุเกิดความดับอัสาทะอาทีนวะนิสรณะของมหาพูดถ้าทำปริญญาอย่างนี้ได้จกทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้กระทั่งศึกษาเรื่องศีลเรื่องกรรมาบทเรื่องอะไรนะั้นมันเกี่ยวกับมหาพูดนั่นแหละ เพราะมหาพูดมันเป็นดินแดนแห่งกุศลกรรมบทและอะักุศลกรรมบทเอาเรื่องมหาพูดมาคิดดีๆนะั่จะเห็นแม้กระทั่งเรื่องถ้าล่วงอกุศลกรรมบทเนี่ยล่วงเพราไรหนึ่งคิดปฏทุสลายมหาพูดคือปาณาติบาคิดหยิบเอามหาพูตรูปมาเป็นของตนรู้ว่าเป็นของผู้อื่นนั้นก็เป็นอธินนาทานล่วงเกินมหาพูดที่มีเจ้าของเป็นต้นก็เป็นกาเมสุมิจฉาจารพูดไม่ตรงต่อความเป็นจริงของมหาพูดก็เป็นมุสาวาท เดืมสุราก็ดื่มมหาพูดนั่นแหละอันนั้นดื่มมหาพูดกินข้าวเย็นกินเลยมหาพูดเห็นไหมพูดคําหยาบก็ด่าคำหยาบกระทบมหาพูดอันนั้กระทบธาตุดินบ้างกระทบธาตุน้ําบ้างกระทบธาตุไฟบ้างกระทบสีบ้างก็วนๆอยู่ในมหาพูดนั่นแหละเนี่ยนะถ้าจะโลภนะคิดจะเอาก็คิดจะเอาอะไรมหาพูดคิดทําลายก็คิดทําลายมหาพูดเห็นผิดก็เห็นผิดใน มหาพูดมันถ้าเอาปริญญาเอามหาพูดมาพิจารณาเห็นทั้งกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบททีนี้ถ้าล่วงอกุศลกรรมบทในมหาพูดมันจะได้มหาพูดอย่างเร็วกลับมาถ้าประพฤติดีในมหาพูดจะได้มหาพูดอย่างดีกลับมาถ้าตัดฉันนราคะในมหาพูดพ้นมหาพูดสักทีแต่ว่ามหาพูดทั้งหลายมีโทษโดยประการทั้งปวงนะถ้าเจริญอาทีนว่าสัญญาแล้วจะเห็นชั้นมหาพูดนี้มีโทษจริงๆ แล้วก็นี่ก็ทำปริญญาในมหาพูดได้เวลาฉันมหาพูดอีกแล้วถ้าจะกล่าวไปนะศีลก็มีมหาพูดนะัเป็นอารมณ์นะเช่นทอง